วิธีชักเข้าหาอาบัตเดิมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงชักภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสงเฉลียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกระผมนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงสง์ได้ให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัสถิปิดไว้หนึ่งปัก แก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสง์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 ปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสง์สงฆ์ได้ให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแ ก, ภกแ่ภิกษุอุทายีแล้วภิษุอุทายีนั้นกาลังอยู่ปริวาท ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจบังฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไวหนึ่งปักภิกษุทายีนั้นขอปักขะปริว่าเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสง์สง์ได้ให้ปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุกุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวัน ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้าวันกับสง์สฆงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันแก่ภิกษุอุทายีแล้ว